ท่านวันนี้ตรงกับวันที่ชนหมู่วะ 20 พฤษภาคม 2534 การบันทึกวันนี้ก็จะ แต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องทุโดงก็ขอ แล้วก็เฉลวยปิ่นสีทางกรุงเทพฯถ้าทางจังหวัดชัยนาทก็มีทาง <c oughs> มาช่วยกันหลายคน ช่องว่างที่พูดไว้ยังมีอยู่นั่นคือว่าเมื่อ 2 ทั้งบันที่กล่าวที่ผ่านมา ความจริงก็คน <c oughs> เป็นการฝึกในการตัดกิเลสแต่ค่อยๆ ieiliaตไปที่น้อยน้อย น้อยแต่ว่าการตากิเล็ตที่ไม่มีคนーมันดาท่านพตรศาสนิกระชนมันตับไปไม่เคยได้จริงหนัก แม้ในสมัยที่องค์ทรงตรัสประจอม ก็ตกใจคิดว่าตัวเองไปพวกโอโอตัวติโออะไรวะนูจะทําจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระ การที่เราเราเราเรา 2 เราไม่มีความโลภเพราะของที่จะโลภไม่มีเพราะในป่าการที่ 3 เราไม่ แม้แต่ในปัจจุบันนี้บรรดาท่านพระ แต่ว่าบรรดา ถ้าจะถามอาตมาเพราะว่ายังไงคถาบท 4 เพราะฉะนั้นทํา แล้วก็ดึกถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขอความ แม่ตะยะสบโรนี่จะต้องว่าก่อนออกเดินทางขณะที่เดินทางอยู่ก็ต้องว่าคําว่าเนี่ยหมายถึงนึกนะ โดยเมื่อองค์สําเร็จว่าผู้มีภารไม่หวั่นกลัวนั่นคือเทวดาที่เขาคิดว่าท่านจะประโยชน์ 2 <c oughs> ค่ําวันแต่บังเอิญถ้าไปอยู่ทั้ง <c oughs> ให้เริ่มปล่อยไว้บรรดาพระแล้วก็เข้าไป เขาถังว่าในพทธาติ์สานายมีอวุธหรือ fitting of teaching understanding of body denganว่าวุธليไม่ใช่หลับュежду glasses AND underlying purohすご blessing again ให้พวนารณ์ในบรทگนจะสบร вый pour세� magical Jaime ชDR會 Whaère beer ราบทางränก45g noirจิทย์adebbeö qui qui�สdev shall be complimentary จะ still in Ph SEC teenagers be ruim cerialよね กลับไป directly. dinกลับมา neurohumized eighth még-Hungippin. beaucoup moves Grid Vous wholeheartened but the fact is Long-p CAD stoneắm,דר off in You having kask cordiali โก yろ e ck of pasta พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสวดไม่ได้สัปปโรอยู่ปฏิบัติตามนั้นด้วยถ้า ยานี้ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ของมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าอมนุษย์ก็หมายถึงว่าสัตว์ก็ดีผีก็ดีเทวดาก็ เป็นในให้บรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหลายมีความรักนำพัตตาหารอันเป็นทิพย์มาถวายพยายามมาปฏิบัติต่างๆเท่าที่จะเป็นทําได้แต่พระสุดงก็ไม่มีอะไรมากให้ความสะดวกทุกอย่างถ้าไม่มีน้ําก็บันดาลน้ําให้ <c oughs> ในบัดนี้รูปปานบอกว่าจะลืมไม่ได้ และ iber กันหนึ่งก่อนที่เจ้าจะเดินทางท่านบอกว่าทุกองค์ แต่เราองค์อาจจะมีความรู้สึกมีความรู้ไม่เสมอกันก็ไม่เป็นไรจะให้มันถูกก็แล้วกันเพราะแผ่นดินผืนเดียวก็มีสมัยหลายสมัยจุดๆเดียวอาจจะมีประเทศตั้งอยู่หลายสมัยไปเพราะว่าแผ่นดินมีมีเยอะน้อยแผ่นดินมีอายุ กรองภาวะท่านต้องการให้ทราบว่ามีอะไรบ้างที่เราผ่าน วันพรุ่งนี้มาอ่านให้ฉันฟังพวก <c oughs> <c oughs> เพราะความไม่มั่นใจในตัวเองว่าถ้าใช้อารมณ์ของตัวเองอาจจะมีอารมณ์เฝือหมายความว่าจะมีอุปาทานเกิดขึ้นได้จึงไม่ใช้สิ่งที่ใช้ก็คือถามเทวดาเพราะก่อนจะไปก็เชิญเทวดาเป็นผู้รักษาไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชอยู่ <c oughs> องค์ที่ถูกถามเรื่องราวก็คือท้าวเวสวัณ ก็จะไม่ขอเล่าเรื่องไอ้ย่อยๆเค้ามันย่อยๆไปไม่มีความสําคัญ <c oughs> <c oughs> เห็นภาพ <mister ius> จริงๆกันในนั้นออกมาทํามาหากิน ท่านก็บอกว่าหลังจากใครออกไปนี้หลังจากใครขึ้นออกไปเป็นดินแดงของไทยจริงๆแหละแต่ว่าพม่ามีอำนาจพม่ามีทหารมากมี พม่าใช้ทำงานบ้างใช้ทำนาบ้างเพื่อทันทันสินยาให้ไม่ข้าวไม่ปราพม่าเก่งก็ต้องให้พม่าวัวควายที่มีอยู่พม่าอยากจะกินก็ต้องให้พม่าไม่ให้พม่าพม่าก็ฆ่าตายก็เลย <c oughs> มีแต่หันตั้งบางครั้งก็บิดามาไปเดินรอบๆกำแพงเมืองใกล้ใต้กำแพงเมืองอยุธยาอยุธยาก็ส่งกำลังออกมาตีต่อดีกับพม่าก็บางทีคนไทยก็แพ้บางครั้งพม่า โดยที่ไม่ต้องต่อตีเลยที่ไม่ต้องต่อตีเลย <c oughs> ไม่เห็นภาพในสมัยนั้นก็ก็มีภาพสรด เอ่อบิใกล้ถึงชลสะเด็ดก็ปรากฏพบพม่าค่ายใหญ่ตั้งที่นั่นเป็น ไก่ก็ดูภาพเป็นสมัยสมัย เขาบอกว่าผมก็ทําแบบได้ต้องถามเทวดาฉะนั้นการบรรเทิงจริงคล้ายคลึงกันมาก ว่าที่ตรงนี้เดิมทีก่อนหน้านี้มีอะไรมาบ้าง ก็ต้องให้อารมณ์ตั้งไว้แค่ឧបจาระ ดังนั้นก็คุยกันไปแล้วก็ไปบันทึกให้พระปานทราบนี่พิธีการ <c oughs> หลังจากนี้ทีนี้ต่อไปก็ขอเลี้ยวไปทางนั้นก่อนไปทางด้านภาคอีสานก่อนกับพ่อ <c oughs> <c oughs> หาไปจน คืนกันก่อนท่านก็ทํากันมาแล้วแม้สมัยเดียวกันก็มีหลายฐานะท่านก็ทําเหมือนกันคือบางท่านก็ทําตัวเหมือนฤาษีก็กินผลไม้ในป่าไม่กินอาหารจากบ้านบางคณะก็อยู่ในธรรมปีติบางคณะก็เป็นระบาดกับเทวดาเรียกคณะอาตมาเพราะยังไม่เก่งพอที่อยู่ในธรรมปีติได้ถ้า ร่างกายจะไม่สุขโสมก็ขอเลี้ยวไปไป ก็บอกว่าที่ไหนก็ปัก <c oughs> เมื่อปรากฏตอนกลางคืนตอนนี้ตอนระหว่างนี้เนี่ยไปเดี่ยวนะพระบาลไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นพระช้าง ในเถิดนั้นรู้สึก <c oughs> 60 ตัวเศษมา 100 200 เมตรไม่ห่างนักแต่ ช้างหัวหน้าโครงที่เป็นช้างศิรดอมีงาสั้นตัวใหญ่มากคุกเข่าลงยกงวงขึ้นโชว์แสดงว่า แล้วก็ปู่น้ำ 2 3 ก้าวหันแล้วหันหน้ากลับมาใหม่ ในเมื่อพวกเราเห็นน้ําเป็นป่าทึบเมื่อน้ําเสร็จก็ขอใจท่านท่านก็เดินทาง เป็นพระอะไรนั้นไม่สําคัญคือเป็นพระตุดงก็แล้วกันให้ความกลัวถามว่า มีนกใหญ่ตัวหนึ่งบินมาจับที่ยอดศรก็รู้สึกแปลก เขาแต่ผมกันไว้ถ้าท่านอยากจะรู้ก็ไม่แหลมเข้าตัวพวกท่านแต่ผมกั้นไว้ถ้าท่านอยาก <c oughs> เป็นท่านอินทรกะก็บอกว่าไม่ต้องไปบาตรกับต้นไม้เพราะว่าที่นี่พอเดี๋ยวคน ก็ถามนะว่าคน ก็คนก็นำอาหารมารอคนไม่ไปบิณฑบาต 3 คนก็เอาหนังควาย 2 คนนุ่งขาวห่มขาวท่าทาง ไข่ปลาไม่เป็น ท่านเจ้าของข้าวก็บอกว่าเข้าสงสัยว่าคน 2 คนเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยมากวีลาดีกว่าคน แต่ข้าวนั่นท่านจะฉันไม่ได้นะมันเป็นทรายแล้วก็ไปต้มปลาผุง แต่ว่าขอขอขอย้อนหลังไปนิด ท่านท่านก็บอกว่าเอาน้ํา 1 ถังเนี่ย ชาวบ้านต่างคนต่างโกรธจะทำ